พระธรรมเทศนาแผ่นที่109ลานำดับที่6โดยหลวงพ่อยินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวั ด, ดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่9สิงหาคม2560มีชื่อเรื่องว่าเทวดามาแย่งคนดีาราาิิวล สันติภัจจตาพระเจ้ากริย์กาัตริย์เดเซขุดตอัน้ำกุฏามีมังพักกันเราต่อเนื่ไปตั้งใจฟังรธรรมเทศนาหลวงอาตมาภาพเองหลวงพ่อเองจะได้กล่าวสังเวชเทนยกรถาธรรมคือกล่าวความสลดสังเวชใจที่พวกเราได้มาพบมาเจอใน กลุ่มในหมู่ในคณะในที่พวกพวกเรารักเคารพนับถือแต่ท่านได้จากไปตามวัยตามอายุสังขารแต่ถึงยังไงพวกเราก็อยังรับในความรู้สึกจุดนั้นไม่ได้คือจะปล่อยวางอย่างที่ผู้ที่ท่านผู้มีอัตมีธรรมในจิตในใจเรียกว่าพูดง่า ย, ายๆอง การปล่อยวางอย่างพระอระหันต์ไม่ได้เรายัางเป็นปุตตุชนอยู่ในเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็มีเรื่องกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจไม่มากก็น้อยอโดยเฉพาะอย่างยิ่งมากแต่ถึงอย่างไงพวกเราก็จะต้องทำจิต ท, ทำใจเพราะว่าทุกวัยทุกคนทุกะจะต้องมาพบมาเจออย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้มาพบมาเจอในคราวนี้ครั้งนี้นะ วันนั้นขอให้พวกเราทุกท่านสรุปแล้วก็คือให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะไม่มอีอะไรที่จะดียิ่งกว่าพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอันนี้คือพระธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะวันนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่อาตมาหรือว่าหลวงพ่อเองจะได้เป็นองค์แสดงธรรมในงานของ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 สามพุทธสามรณธรรมโมหิมรณงอนติโตขยะวยธรรมมาสังคาราอัปปมาเดนะซัมปาเดทาติติวันนี้เป็นวันที่9สิงหาคมพุทธศักราชสองพเป็นวันพระราชทานเพลิงศพ ของคุณพ่อถาวรคุณปู่ทาวรคุณตาถาวรพระท่านอายุถึง95ปีคุณปู่ถาวรคุณนปูรักและท่านมรณะวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2560อายุ95ปีท่านเรื่องประกอบอาชีพไม่ต้องพูดถึงพี่น้องชาวุดอนพวกเรารู้กันดี เป็นว่าโรงแรมเจริญโฮเ็ลเกิดก่อนเพื่อนในเมืองอุดรแล้วก็ไม่มีคำว่าถอยหลังมีแต่ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ท่านเป็นผู้ประกอบสัมมาชีพเป็นตัวอย่างของลูกหลานแล้วก็ทางท่านทางโลกท่านก็ไม่ได้น้อยหน้าต่ำตาใครแต่ส่วนธรรมะ การสสแสวงหาคุณงามความดีท่านก็ไม่ได้ปล่อยปะละเลยหลวงพ่อเองมาอยู่ที่เมืองอุดรตั้งแต่ปี2512ก็ได้ยินข่าวกิตติศัพท์สุดชัตไทยญาติโยมหรือว่าองคหลวงตามหาบัวที่ท่านอยู่วัดป่าบ้านตาดก่อนนี่คณะสัตยาญาติโยมกลุ่มใหญ่นี่นะคุณรุ่นเก่ารุ่นแก่ให้การสนับสนุน ครูบาอาจารย์พรส่งจนเป็นที่ยอมรับกันทวนาว่าจังหวัดอุรอนเป็นจังหวัดธรรมะเป็นเมืองธรรมะเป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นเมืองที่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเพราะนั้นก็ออกไปจากไหนออกไปจากคณะจัททยายญาติโจมรุ่นเก่าแก่ท่านเหล่านี้แหละเป็นผู้ เป็นผู้พานำแล้วก็พาลูกพาหลานศรัทธาญาติโยมลูกหลานเดินตามแนวแถวแถวธรรมะมีวัดธรรมกองเพลนวัดหลวงปู่เขาหลวงปู่ต่างๆในละแวกนี้แล้วก็ในต่างจังหวัดก็มีหลวงปู่ฟันหลวงปู่เทศหลวงปู่เหลียนแล้วหลายหลวงปู่ที่พวกเรารักเคารพนับถือเลื่อมใส ไปมาหาสู่กันนน่ก็เมื่อถึงคราวอย่างนี้แล้วก็ไม่มีใครที่จะหลีกเลี่หนีพ้นไปได้อย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เรารักเคารพนับถือเลื่อมใสก็โร่งรยไปตามอายุสังขาร เ, เกือบจะว่าหมดไปแล้วยังเหลือแต่พวกเราเลูกๆ ล, ล้านหลานที่สืบน่อต่อข น, นงในหลักธรรมคำสอน อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นอยู่ในขณะนี้แต่ถึงยังไงก็ตามพวกเรามาถึงจุดนี้ถึงเราจะเป็นลูกเป็นหลานพวกเราก็กล่าวย้ำเตือนซึ่งกันและกันว่าพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเอาไว้เพราะปู่ย่าตาทวดของเราท่านก็ทำเป็นตัวอย่างเมื่อท่านทามาแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง มีแต่ความร่มเย็นผาสุขพ่อใ ห, หายเพราะท่านประกอบสัมมาชีพเดินทางในทางที่ถูกต้องออแล้วก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทางโภกทระซับทางด้านจิตใจจิตใจอย่างนั้นก็เป็นที่ยอมรับของพวงประชาพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าพ่อใหญยเพราะว่าท่านมีคุณธรรมในจิตใจไม่เบียดเบียนชึน่งกัะละการมี ศีลธรรมคือเป็นผู้มีสีศีลเป็นที่ยอมรับซ้ำทวมกายวาจาให้เรียบร้อยอแล้วก็มีจริยธรรมที่ดีที่ท่านพาดำเนินเดินตามแนวแถวที่จริยธรรมการเป็นอยู่ของคารวะเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นลูกหลานก็ควรจะเดินตามแนวแถว ที่ท่านพาดําเนินในการเดินเดินแนวแถวชีวิตของพวกเราเพราะเหตุหลายท่าว่าเราเดินผิดที่ผิดทางเดินไม่ตามแนวแถวทางจรยิยธรรมอย่างผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าปู่ย่าตายายพาเดินพวกเราเดินผิดที่ผิดทางอาจจะตกหลุมตกบ่ออาจจะถึงความจิบหายวายพวงได้ไ ง, ไง่ายๆะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่าน ที่จะคิดจะทำจะพูดจิงไหนก็ตามเราต้องคํานวณคิดทบทวนดูให้ดีว่าปู่ย่าตายายของเราพาดำเนินมาไหมอย่างนี้ถ้าว่าพวกปู่ย่าตายายไม่พาดำเนินมาพวกเราปอย่าเสี่ยงมากจนเกินไปถ้าหากว่าเสี่ยงมากเกินไปก็ทำให้เราอาจจะตกหลุมพรางเข้าก็ได้เพราะโลคพวกวันนี้เป็นโลกที่ตัวไขรตัวเราเป็นส่วนมาก ที่จะมีความเอื้อเฟื้อเอืออารีเมตตามีเ ม, มตตาต่อกันมีน้าจิตน้ำใจต่อกันมันน้อยลงไปทุกทีทุกทีเพระาะนั้นขอให้ฝากไว้กับคณะจตธา ย, ยาตโยรุลูกห ล, กลานทั้งหลายให้ประกอบแต่คุณงามความดีสำมาชีพอย่างที่ผู้ญาตายายของเราพาดำเนินแต่เรื่องการประกอบสำมาชีพนั้นหลวงพ่อเองก็ไม่ถนัดเพราะหลวงพ่อเป็น พระสองฆ์องค์เจ้าอยู่ในป่าหลวงพงไพแต่หลวงพ่อจะแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวแต่เรื่องคุณนธรรมในการเป็นอยู่าการวางตัวและการดำเนินชีวิตเพื่อเอาบุลกุศลเข้าสู่จิตใจวัตักของผู้พุทธศาสน า, าท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูรตายแล้วเกิดอีกนะอันนี้ก็คือพระธรรมคำสอนท่านสอนเน้นทางจุดนี้แต่เรื่องการสองแสวงหาทรัพย์ ภายนอกอันเป็นหน้าที่ของพวกเราพวกทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องเรียนจะ ต, ต้องศึกษาจะต้องคน้นคว้าจะต้องนขนไถ้ว่าชีวิตของเราจะเดินไปได้อย่างไรอันนี้เราก็ต้องศึกษาจากตำรับตาราจากพ่อแม่จากผู่้ญาตายายจากท่านผู้รู้ทั้งหลายเป็นผู้แนะนําเราก็เกิดมาใหญ่ที่หลังเราก็ต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องเดินตาม นี่แหละอันนี้ก็คือการเดินตามแนวแถวของการสอบแว่งหาทรัพย์แต่ถึงยังไงก็ตามในหลักของพุทธศาสนาท่านบอถึงจะสะแสวงหาทรัพย์ถึงมั่งมีสีสุขร่ำรวยขนาดไหนก็ตามก็ไม่มีใครที่จะเอาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไปได้ด้วยไปด้วยได้เพราะนั้นจะต้องวางมือทุกอย่างนอกจากบุญกุศลที่พวกเราสอบแสวงหาเท่านั้นเองจะนาความ จเจริญเข้าสู่จิตใจพวกเราจะไปสู่สุคติได้เพราะบุญงามความดีอันนี้คือหลักของพุทธศาสนาท่านก็แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเอาไว้ว่าควรส่อแหวงหาทั้งสองอย่างถ้าเราเป็นฆราวาสก็ควรส่อแหวงหาทรัพย์อย่าให้น้อยหน้าต่ําตาใครในเมื่อส่อแหวงหาทรัพย์แล้วก็ควรส่อแหวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจด้วยให้ได้ทั้งสองอย่าง คืออาหารกายอาหารใจอาหารกายก็คือข้าวน้ำโภชนะอาหารผ้านุ่งห่มยาแก้โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่อาศัยอันนี้คืออาหารของร่างกายส่วนอาหารจิตใจนั่นคือคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมศีลสมาธิปัญญาที่พวกเราจะต้องได้ศึกษาจะต้องได้เรียนรู้ทั้งสองอย่างอาหารกายเราก็ให้อาหารอย่างหนึ่งอาหารใจเราก็ให้อาหารอย่างหนึ่ง แต่เราฉเฉลียวฉลาดในการสองแสวงหาทางลร่างกายอย่างเดียวไม่เพียงพอตามหลักของพุทธะนะท่านจะาของว่าบอกให้เราสองแสวงหาทางอาหารทางด้านจิตใจด้วยเพราะอาหารจิตใจเนี่ยเอพราะเราจะได้เดินทางต่อไปประโลกภายภาคหน้าถ้าว่าเรามีแต่อาหารกายเราได้อาหารกายมาแล้ว เ, เราก็ทิ้งทั้งหมดเอาไปด้วยไม่ได้แต่ว่าอาหารใจนั้น จะต้องติดตามดวงวิญญาณและดวงใจของเราไปสู่พารโลกภายภาคหน้าอันนี้พวกเราต้องศึกษาเพราะหลักของพุทธศาสนาท่านเน้นหนักหนาว่าตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกแน่นอนพอพระพุทธเจ้าได้ไปค้นคว้าศึกษาเมื่อพระพุทธองค์ได้ตดรัสรู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณที่โคนต้นโพในวันเดือน6กเพลนนั้นพระองค์ยืนยัน ว่าปุกเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติผลหลังได้อันนี้ก็คือเป็นญานรัตน์ของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้ธรรมในวันนั้นพระองค์รู้ว่าอาดีตชาติของพระองค์มี อ, อ, อดีตชาติเป็นยังไงยาวเหยียดไม่รู้ไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติจนมาถึงชาตินี้จะว่าปุกเพนิว่าระลึกชาติผลหลังได้ ต่อมาเที่ยงคืนจู่ๆปะปาตยานการเกิดการตายของสรรพสัตว์พระองค์ก็ดูรู้อีกว่าการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายเจี่ยงกว่าหาฝนวิญญาณเกิดพิจาร์ตายในโลกนี้ท่านก็มองดูอันนี้เป็นวิสัยของพุทธะเป็นผู้ดูท่านก็ดูว่าการเกิดการตายตายของสรรพสัตว์ทาไมมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเกิดมา เหมือนกันเป็นสัตว์เหมือนกันมันเป็นวันรถเหมือนกันแต่ทําไมไม่เหมือนกันเพราะเหตุอะไรพระองค์ก็บอกมองดูอีกย้อนดูอีกดูในรายละเอียดอีกท่านว่ากรรมคือการกระทำถ้าว่าผู้ใดทํากรรมดีกรรมดีจะให้ผลถ้าให้ใครทํากรรมชั่วกรรมชั่วจะให้ผลกรรมชั่วและกรรมดีนั้นแตกต่างกันอีกเหมือนกันแต่ไม่ใช่ว่าเป็นแบบเดียวกันเหมือนกับเราทําความผิด เรื ų, ่องว่าเราทำความดีน่นแลเราทำความผิดก็มีหลายๆอย่างไปขโมยเขาบ้างก็เป็นความผิดอย่างหนึ่งไปตีหัวเขาเข้าก็เป็นความผิดอย่างหนึ่งไปฆ่าเขาเข้าก็เป็นความผิดอย่างหนึ่งนี่แหละมีความผิดความชั่วก็มีหลายๆอย่างเหมือนกันความดีก็เช่นเดียวกันความดีความเล็กความดีเล็กความดีน้อยความดีมากความดีเลิศมันมีมากมายเหมือนกันเพราะนั้น เมื่อเราทำกรรมลงไปทั้งกรรมดีและกรรมชั่วกรรมดีและกรรมชั่วจะให้ผลเมื่อให้ผลแล้วนั่นแหละจะแตกแตกต่างกันกรรมนั่นแหละจะเป็นผู้จำแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายแตกแตกต่างกันไม่ไม่มีพระเจ้าองค์ไหนไม่มีเทวลูกเทวดาอินพรหมท่านไหนจะบันดลบรรดาให้กับพวกมวลมนุษย์ชาตนอกจากกรรมคือการกระทำท่านเราทำกรรมดี กรรมดีก็จะให้ผลถ้าทํากรรมชั่วกรรมชั่วก็จะให้ผลเออเอาเถอในชาตินี้พบนี่ชาตินี้เนะี่ยถ้าเราไม่เชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วเราอยู่ด้วยกันดีๆนะเนี่ยเปี้ยงป้างไปชกต่อยตีเข้าไปใช้อาวุธมีดเออปืนผาหน้าไม้ถล่มกันด้วยสิเออนี่แหละกรรมชั่วจะให้ผลทันทีเขาจะต้องจับไปใส่คุกใส่ซารางทันทีแหละนีะ่นี่แหล ะ, ะกรรมชั่วให้ผล กรรมดีก็เช่นเดียวกันเราไปนสถานที่ใดประกอบแต่สำมาชีพไปเห็นใครใคก็มีช่วยเหลือมีแต่ให้น้ำนํำจิตน้ําใจแต่คู่ขนทั้งหลายกรรมชั่วจะให้ผลคนนั้นก็จะมีแต่ความสุขไปนสถานที่ใดมีแต่คนรักเคารพนับถือเลื่อมใสเพราะเหตรเพราะว่าเขาประกอบแต่คุณงามความดีนี่แหละความดีกับความชั่วให้ผลต่างกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน เกิดมาทั้งถี่ชีวิตได้ศึกษาหลักธรรมคาสอนของพุทธะรมดีและกรคำชั่วนั้นไม่ใช่จะให้ผลแต่พบนิชาตินี้เท่านั้นจะให้ผลไปในอดีตใ น, อ น, อ, นอนาคตการพบหน้าชาติหน้าอีก น, นั้นะณันปล่อยพวกเราท่านทั้งหลายสัมพวมระวังในหลักธรรมคําสอนของพระพุธธทธเจ้าเพ่อนึงบอกกล่าวว่ากรคำชั่วอย่าทําจะเลยดีกว่าเพราะกรคำชั่วเมื่อทําลงไปแล้ว กรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเป็นผู้เดือด ร, ร้อนเมื่อภายหลังอันนี้ให้พวกเราฟังเอาไว้ศึกษาเอาไว้นนะแต่บางคนทุกวันนี้ไม่คิดว่ากรรมชั่วเมื่อทำตัวเองคิดว่าตัวเองฉลาดเฉลียวฉลาดพร้อมที่จะหลบหลีกกรรมชั่วไปได้แต่ที่ไหนได้มันหลบหลีกไม่ได้นะเพราะเหตุไรเพราะกรรมชั่วเนี่ยมันจ้องงองอยู่แล้ว ละเอียดที่ท่วนมากเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะประกอบแต่สมมาชีพประกอบแต่คุณงามความดี อ, อย่าสิ่งในที่มันไม่ดีอย่าทําอย่าคิดอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีนั้นและก็พร้อมกันก็ให้พวกเราเที่พระพุทธองค์ได้ตดรัสรู้ในคืนนั้นจวนสว่างเทวอาสากวะอาสาวกายายานยานอย่างรู้ว่าองค์หมดกิเลส ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากพระไทยของพระองค์พระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเป็นพระอรหันต์เป็นพระอนุตรสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนวันนั้นวันนั้นในคืนวันนั้นพระ อ, องค์ได้ตัดสูตธรรมสมอย่างบุคคนตอนหัวค่ำปุเพนิวาสานสุสติญาณพอถึงเที่ยงคืนจุตูปปาตญาณพอจวนสว่างอาสาวกญาญานนี่แหละอันนี้เลยคือหลักธรรมคาสอน ของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้ธทำในวันนั้นจากนั้นท่านก็ได้นำพระธรรมคําสอนที่ท่านได้ตัดรู้ในวันนั้นนะมาประกาศเผยแผ่ขยายผลให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเพราะฉะนั้นพวกเร า, เาได้รับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านาที่พระสงฆ์สาวกาที่ท่านแนะนําสั่งสอนมาเป็นทอดๆ เ, เมื่อพรผู้หลงได้ตัดรู้พระธรรมก็ประกาศพระธรรม ในเมื่อคนทั้งหลายได้รับพระธรรมคําสอนก็นําพระธรรมคําสอนมาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วได้สําสเร็จมรรคผลมรรคผลในเมื่อสําเร็จมรรคผลแล้วเป็นพระสงฆ์จากนั้นทางก่อเรนําพระธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศเผยแผ่มาบอกกล่าให้กับพวกเรามาเป็นทอดๆจนถึงบัดนี้นะนี่แหละอันนี้ก็คือพระสงฆ์สาวกที่นําพระธรรมคําสอนมาบอกกล่าวให้พวกเราจะได้เมื่อเราได้รับพระธรรมคําสอนแล้ว เราก็นํามาคิดนํามาพิจารณาการกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลว่ามีความแท้จริงมากน้อยแค่ไหนมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนตามที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเพราะยุคนี้สมัยนี้เป็นยุควิทยาศาสตร์อีกต่างหากน ะ, เ, ะเป็นยุควิทยาศาสตร์เขาพยายามที่จะเบนเบ่งเวียนเบ น, นไปในทางที่ไปในทางที่ไปวิทยาศาสตร์แต่ตามไม่จริง มันเบนไม่ได้แล้วคนเราเกิดมาแก่เจ็บตายในที่สุดหลักวิทยาศาสตร์เขาวิเคราะห์ได้แต่ทางนี่นะทางรูปธรรมเท่านั้นแต่นามธรรมคือทางด้านจิตใจ เ, เขายัางน้อยอยู่เอ่อทำไมถึงพูดอย่างนั้นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ว่าจะเก่งทุกอย่างไม่ใช่เออถึงขนาดนาซาก็เติบขึ้นไปน้องท้องฟ้าอากาศเขาเห็นดาวกี่ดวงเขาไปถึงดาวกี่ดวง ไปถึงดวงเดือนไปถึงดวงดาวดาวกี่ดวงแต่ดาวในท้องฟ้านะ่ยมากมายมหาศาลเขาไปถึงทุกดวงไหมย่างแต่ถ้าหาว่าที่ยังไม่ถึงดาวทุกดวงนะ่นแสดงว่าเขายัางโง่อยู่จุดนั้นอย่างงั้นใช่ไหมแต่เขาก็บอกว่าเขายังไม่โง่แต่เขายังไม่ถึงเนะนี้ยเขาเหมือนกันวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ว่าจะถึงหมดทุกอย่างแต่เรื่องทางเรื่องนามธรรมรู ป, ปธรรมหลักของพระศาสนาท่านเน้นหนักเรื่องนามธรรม คือทางด้านจิตใจตัวผู้รู้คืคอตัวจิตจวิญญาณนี่แหละแต่ทางโลกเขาดูแต่เรื่องของรูปรธรรมคือร่างกายแต่หลักของพุทธศาสนาท่านมีรูปคือร่างกายร่างกายคือรูปรธรรมแต่จิตใจนั่นคือนามธรรมนามนามธรรมกัรบรูปธรรมอาศัยกันอยู่แต่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกัน หลวงพ่อก็เลยมาเปรียบเทียบให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาว่ารูประทามเหมือนกับรถแต่นามธรรมเหมือนกับคนขับรถอยู่ในตัวของเรารูประทามเหมือนกับร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายร่างกายนี่คือ ร, ปรูปธรรมส่วนนามธรรมคือจิตใจตัวผู้รู้ตัวนึกตัวคิดแต่ทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าสมองนะเขาว่าสมองสมองเป็ น, เ ป, นเป็นตัวค้นคิด แต่หลักของพุทธศาสนาท่านบอกวิญญาณวิญญาณนั่ญญคือมาใช้สมองอีกที่หนึ่งคือตัวผูรู้คือใจนะใจวนะดวงนั่นหือใจนะั่นมาใช้สมองอีกที่หนึ่งสมองมันอยู่ที่หัวของเราแต่เหมือนกับเราไปทํางานมีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในห้องทํางานของเราแต่เมื่อเราเปิดเราเปิดสวิตห้องสวิตเครื่องทํางานคอมพิวเตอร์ของเรา เครื่องอคอมพิวเตอร์ของเราก็เริ่มทํางานจากนั้นเราก็กดเราจะให้มันทําเรื่องอะไรจะไปให้มันคิดเรื่องอะไรนี่แหละสมองมันก็คิดเออสมองมันก็คิดเออนี่แหละในเรื่ของพระศาสนาท่านให้ความสําคัญเรื่องคนที่มาใช้คอมพิวเตอร์นะท่านไม่ไม่ไม่ได้คิดว่าคอมพิวเตอร์เนะี่ยสำคัญนะคนที่มาใช้คอมพิวเตอร์นะจะฉลาดมากน้อยแค่ไหน จะเป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่ขนาดไหนท่านจะให้ความสําคัญว่ามาโนปุพังขมาธรรมามโนเศรถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจแนวใจคํานี้แหะคืออะไรคือดวงวิญญาณคือตัวผู้รู้ตัวที่รู้สึกนึกคิดนะ่ะตัวนั้นให้ความพระพุทธเจ้าให้ความสําคัญยิ่งกว่าร่างกายร่างกายเนี่เป็นเป็นรองนะ ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวท่านพูดอย่างนั้นได้ทีแต่ทางโลกของเขาทุกวันนี้เขามองไม่เห็นจุดนามะธรรมาจุดนั้นเขาถือว่าถือว่าร่างกายเป็นใหญ่ เ, เป็นใหญ่แต่ว่าในหลักของพุทธศาสนาท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นการที่จะรู้จุดนั้นได้หลักพิสูจน์ของพุทธศาสนาท่านทําอย่างไรคื อ, อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันเดือน6กเพจนนัะ้ท่านทํำยังไงท่านบอกว่านั่งสมาธิ ถ้าหาว่าไม่ปฏิบัติจะไม่รู้จะไม่เห็นไม่ได้ทำทำคำสอนของเราตถาคตเนี่ยจะคาดคะเนประมาณการเดาไม่ได้ทั้งนั้นต้องลงมือปฏิบัติเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วผู้ปฏิบัติจะรู้ได้ด้วยตนเองเออรู้จริงรือเห็นจริงได้ด้วยตนเองนี้แหละเออคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธะเพราะ น, นั้นลงมือปฏิบัตินะั้นทำอย่างไรเออ กระดกตัวอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านทําอย่างไรในวันเดือนหกเพลนนั้นท่านบอกว่าพระ อ, องค์ตอนหัวค่ําท่านนั่งคัตสมาธิเอายาญ้าคามาเกลี่ยลงไปเป็นอาสนะแล้วพระ อ, องค์ก็ขึ้นไปนั่งบนอาสนะที่หญ้าคาขาขวาทับขาซ้ายจากนั้นกุมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นจากนั้นพระไทยใจขององค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งนี่นะจึงว่าเกิดยาธนะอันนี้ก็คือวิธีการทําแต่ที่มาถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราจย่าเป็นหลวงตามหาบัวหลวงปู่ขาวหลวงปู่เทศเหลวงปูตง่ต่างๆที่เป็นศิทธยาลุกศิษย์ของหลวงปู่มัน่น แต่หลวงปู่มั่นเป็นต้นตระกูลของพระกรรมฐานท่านวิธีการภาวนาวิธีการปฏิบัติท่านเป็นผู้ชำนิชำนาญจากนั้นท่านก็สอนวิธีกรรมวิธีการบอกว่าถ้าเราทําอย่างพระพทุทธเจ้ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนะ่ะมันหลุดได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายมันหลงหลืมได้ง่ายควรจะสำทับกับพุทธโธเขาด้วยนะอันนี้ก็คือกรรมฐานหลวงปู่มัน่นท่านจึงว่าสายหลวงปู่มั่นคือกรรมฐานพุทธโธนะ เ, เวลานั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านยังบอกกล่าวแนะนําว่าให้ประนมมือขึ้นระหว่างอกซะก่อนคือให้ไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เ, เพราะว่าการที่ทพวกเรารู้วิธีการประพฤติปฏิบัติหรือจิต ภ, ภาวนาเนี่ยไม่ใช่ใครผู้หนึ่งเป็นผู้บอกกล่าวคือออกมาจากหลักธรรมออกมาจากหลักธรรมพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนําบอกกล่าวพระสงฆ์พระสงฆ์แนะนําพระธรรมออกมาบอกกล่าวให้กับพวกเราจากนั้นเราก็เวลานั่งสมาธิท่านจะให้นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายจากนั้นมือปนมมือซะก่อนขึ้นระหว่างอกคือไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพุทโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบ จากนั้นเราจะแผ่เมตตาอีกก็ได้คือทําให้จิตใจของเราหนิ่งจิตใจของเราจะปสบา ย, บายจิตใจของเราไม่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครๆทั้งหมดในจักรวาล น, นะผูกเจ็บใจไปได้ก็เท่านั้นไม่เห็นจะเกิดประโยชน์อะไรมิจะทุกข์ใจของตัวเองเท่านั้นเพราะนั้นจึงให้แผ่เมตตาว่าค้าพระเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพระเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่น ทัวสากลโลกขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทกดวงใจทกวิญญาณด้วยเถิดจากนั้นก็เอามือลงเราแผ่เมตตาคล้ายๆกับว่าเท่าปล่อยวางในช่วงนั้นจิตใจของเราจะไม่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครๆทั้งหมดการผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรเพราะพระพุทธเจ้ า, าจะหน่งเวรจะระงับไม่ได้ถ้าหากเรามีการจองเวรอยู่ เวนจักรระงับได้ถ้าหากว่าเราไม่จองเวนเพราะนั้นเรารู้แล้วว่าหลักธรรมควาสอนที่พระพุทธเจ้าไม่ให้จองเวนเพราะนั้นเราจึงบอกประกาศข้าพระเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นถูกอย่าได้มีเวนซึ่งกัและกันจากนั้นก็เอามือลงพอมือลงเสร็จแล้วกหนดลมหายใจเข้าวริกรรมพุทอย่างที่หลวงปู่มั่นที่ท่านสอนหายใจออกวริกรรมโทพุทโทพุทโท อันนี้ละวิธีการภาวนาวิธีการประพฤติธปฏธิบัติไม่มีขันห้าขันแปดไม่มีพิธีรีตองอะไรทั้งหมดถ้าเรารู้จักวิธีการประพฤติธปฏธิบัติแล้วนะจากนั้นก็ภาวนาพุโทโธจิตใจของเราจะได้จะเข้าสู่ความสงบนิ่ง mm hmm. เมื่อจิตใจของเร า, เร า, เราความสงบเข้าไปใจของเราจะได้พักผ่อนนะเหมือนกับร่างกายของเรา เ, เราเดินทั้งวีทั้งวันไม่มีการพักผ่อนนอนเฉลยไม่มีการทานอาหารและพักผ่อนนอน พวกเราคิดดูสิว่าเป็นยังไงเอพวกเราละร่างกายของเรากคงจะอ่อนเพลียหิวโหยมากที่เดียวนี้ก็เหมือนใจ ก, กันใจของเราคิดทั้งวีทั้งวันทั้งปีทั้งเดือนเอไม่รู้คิดอะไรตัวมิอะไรจนไม่มีเวลาพักผ่อนนั้นหลักธรรมคำสอนของพุทธะท่านจึงว่าให้ใจพักผ่อนให้ใจนิ่งให้ใจสงบให้ใจหยุดเอไม่ให้มันเอคิดปงฟุ้ ง, งจนเกินไป ถ้าเราคิดปรุงฟุ้งโจนเกินไปดูที่พวกเราถ้าคิดมีเรื่องอะไรที่มีเรื่องราวที่จะต้องคิดปุุงสมองของเราจะแตกเอาตาของเราแดงนอนไม่หลับเพราะมันคิดมากนะ่ะถ้าเราเรารู้ว่าการคิดมากนะ่ะมันมีความทุกข์อย่างมากแต่เราหยุดคิดนะ่ะเราจะไม่เคยเจอบางคนก็เคยเจออยู่บ้างแต่ว่ า, าการหยุดคิด พระพุทธเจ้าจังหวะการหยุดคิดทำจิตใจให้ติ่งให้จิตใจให้สงบเป็นบรมัสุขเป็นความสุขกันยิ่งยวดนะท่านจึงตัดเป็นพระบาลีว่าเออความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่แหละอันนี้พวกเราไม่ยังไม่เคยพบเคยเจอเคยเห็นความสงบของจิตใจ การพักผ่อนของจิตใจเรคนนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะที่จะพูดทางนี้ทางนั้นให้ฟังเพราะหลวงพ่อเองเป็นพระป่าพระดงที่จะมาพูดพแต่เรื่องการทํามาหาเลี้ยงชีพหรือการกิจวัตรหรือว่าการเป็นอยู่อย่างอื่นคงจะผิวเผินสักหน่อยจึงเน้นหนักเรื่องจิตตภาวนาให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเพราะในหลักทำคําสอนของพุทธะเนี่ย พระพองค์ท่านบอกว่าตายแล้วไม่สุขตายแล้วเกิดอีกแน่นอนอันนี้แตจะเปรียบเทียบในครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้ามีเศรษฐีคนหนึ่งท่านไปฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านะจนได้สำเร็จพระโสดาบันแต่ลูกของท่านก็เป็นผู้ไฝในการบุญการกุศลแต่ก็ธรรมดาลูกๆทั้งหลายเขาก็ต้อง ทำมาหาเลี้ยงชีพต่างคนก็ต่างคิดต่างคนก็ต่างทําแต่ผู้พ่อเนี่ยเป็นว่าเป็นผู้มุ่งมั่นตั้งใจในศิลในธรรมแต่พอท่านป่วยหนักพอป่วยหนักเข้ามาแล้วก็ล้มป่วยลงไปก็ไม่ได้ไปสู่วัดวาศาสนาไม่ได้ฟังพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าไม่เหมือนยุคนี้สมัยนี้นะนยุคนี้สมัยนี้พออยากจะฟังเทศผูบาอาจารย์องค์ไหนแล้วก็เปิด เปิด mp 3ฟังก็ได้นะแต่สมัยนั้นถ้าไม่ได้ไปฟังกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีโอกาสนะจากนั้นท่านก็ป่วยพอป่วยเสร็จแล้วก็โอ้อยากจะฟังธรรมเทศนาแล้วว่าแนวที่ท่านสวดสวดอะไรกายานกตากา ย, ยากตาจติกรรมาฐานคล้ายกับบรรยายเรื่องของกายกับจิต สติปฐานสี่ท่านอยากจะฟังเรื่องสติปฐาน4ที่พระสงฆ์ขออนมนมทพระสงฆ์มาถ่ายใจให้ฟังด้วยเถินขอให้ลูกไปบอกนะลูกชายลูกสาวลูกชายก็ไปอนมนมทพระสงฆ์มาพ่อก็ป่วยว่าพ่อป่วยอยู่อพอป่วยแล้วพระสงฆ์เขมาเออยมอยากจะฟังสติปฐานสี่พระสงฆ์ก็สาธยายเรื่องกายเวทนาจิตธรรม กำลังสนกำลังสาทยายเป็นเป็นภาษาของท่านนะแต่พวกเราสวดเป็นภาษาบาลีแปลไม่ออกนะแต่ถ้าท่านสวดเป็นภาษาของท่านท่านก็เข้าใจทุกคำพูดนะแต่พอสวดสวดไปท่านก็ยดยุดๆๆๆๆจะเพิ่งจะเพิ่งจะเพิ่งยดชะก่ยดะก่อแต่ลูกลกทั้งหลายก็พระสงฆ์ทงลายพ่อโยมมาสวดให้โยมฟังใช่ไหมโยมบอกให้หยุดใช่ไหม พระสงฆ์ก็หยุดแต่ที่ไหอพระสงฆ์พระสงฆ์หยุดพอพระสงฆ์หยุดท่นี้ก็ลูกทั้งหลายที่เป็นนี่มนพระสงฆ์มาถูพ่อของอะไรเพิ่อจะแล้วเออคล้ายๆว่าหลงลืมเพิ่อเออทิ่ก็ม่พูดอะไรก็ไม่รู้ขึ้นมาเนี่ยเออแบบที่ไม่น่าพูดอะไรขึ้นมาเพิอเพิออะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยหลงลืมสติขึ้นมาแล้วเนี่ยเออจากนั้นลูกก็ร้องห่มร้องไห้ขึ้นมาหลงโห o ขึ้นมาให้ พระสงฆ์เห็นท่าไม่ดีโอ้อลูกๆของเขาร้องให้ท่านก็เพออีกต่างหากไม่เป็นการดีท่านก็เลยเอารละละาณาณโยมนะ เ, เดี๋ยวไม่เป็นโอกาสอันดีในคราวนี้มันสัตวนวุ่นวายให้พระสงฆ์ท่านก็เดินออกออกจากที่นั่นไปแต่โยมคนนั้นโยมที่เป็นเศรษฐีที่ท่านป่วยท่านก็เลยได้จะตีมเาเอ้าทําไมลูกพระสงฆ์ไปไหนล่ะ เอ้าเมื่อกี้นี่พ่อบอกว่าหยุดหยุดหยุดท่านก็ลูพวกฉันก็ลุงพ่อพ่อของเราเนี่ยเพ้อไปจะแล้วนี่ยให้คาว่าหลงลืมไปแล้วนี่ยเพราะฉะนั้นลูกพวกเราก็เลยร้องโผมร้องไห้คืนมาท่านก็แล้วไม่เป็นการดีท่านขอลาไปก่อนนะท่านก็เลยไปแล้วโอ้หน้าเจ๊ดายพ่อบอกว่าหยุดหยุดนั่นพ่อไม่ได้ห้ามว่าพระสงฆ์ให้หยุดนั่นลูกนะคือเทวดานี่ ชั้นต่างๆมีชั้นยาตุม่มตวติงยามาตุติตาสวรรค์หลายชั้นเขามีมีรถมาจอดอยู่ในอากาศนี่นะมาคอยรับขอ้อขอเชิญขึ้นไปบนสวรรค์อยู่ชั้นนู้นชั้นนี้กับค่านะพระท่านเป็นประโสดาบะนะันท่านเลือกได้ใช่ไหมท่านจะไปอเมริกาก็ได้จะไปอังกฤษก็ได้จะไปจีนไปรัสเซียไปญี่ปุ่นไปที่ไหนได้ทั้งหมดคนเราไปไม่เหมือนคน คนไม่คนจนเยคนจนเนี่ ย, น จ, นนยจะไปได้ก็นเนี่ยไปท่าขี้เหล็ ก, กวัวหรอกไปเมืองขมร้นหรือไปเมืองลาวท่านเองนะเพราะอไรเพราะจนใช่ไหมไม่มีเงินอันนี้ท่านมีมีคุณธรรมเป็นพระโสดาบันท่านจะเลือกไปสวรรค์ชั้นไหนก็ได้นะนจากนั้นท่านก็เทวดาทั้งหลายก็เอารถมารอรับนะในอากาศ อทางลูกชายลูกสาวเขาเลยเอา้าพ่อเพอ่ไปแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ไหนละ่ะรถพ่อเนี่ยเดีอยู่ที่ไหนเต็มไปหมดอยู่บนอากาศนี่มันทางลูกสาวลูกชายจะให้เห็นไหมไม่เห็นเน่ยไปไปเอาพวงมาลาใหมา่เอาพวงดอกไม้มาเนี่ยเขาคงจะเป็นเอาพวงดอกไม้เนี่ยพวงมาลัยเนี่ยเอามาให้ถามลูกกับลูกจะให้พ่อไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนเออ โลกก็บอกว่าอืได้ยินตามตรับตลาที่พระพุทธเจ้าท่านว่าพระมารดาของพระพุทธเจ้าท่านไปอยู่สันสวรรวรรชั้นดุสิตนพ่อนะเออสวรรษชั้นดุสิตเนี่ยเป็นสวรร์ที่มีความสงบมีความสุขมีความพร้อมอมากมายหลายอย่างเพราะนั้นถ้าพ่อจะไปกัากลูกๆูกนะอยากจะให้พ่อไปอยู่สวรร์ชั้นดุสิตนพ่อ เออต้อคอยดูนะ เ, ออเดี๋ยวพ่อจะตั้งจิตอธิษฐานแล้วให้พวงมาลัยที่ลูกถวายเนี่ยให้ไปคล้องงอนลถของสวรรค์ชั้นดุสิตนะเ อ, อ่อเพราะว่าท่านั่นไงท่านก็คงจากอธิษฐานมุมมุมมามุมมุม า, มาในจิตใจของท่านนะเ อ, อ่อท่านก็ยกเ อ, อ่อยกพวงมาลัยโยนขึ้นไปในอากาศพวงมาลัยนั้นลอยแล้วล่องขึ้นไปไปเกาะไปห้อยอยู่ที่ งอนรถของเทวดาชั้นดุสิตนะพ่อก็บอกว่านี้นะเนี่ยเห็นพวงมาลัยแม่ลูกลูกว่าเห็นนะียเออนั่นแหละพวงมาลัยพวงนั้นอนะไปห้อยอยู่ที่งอนรถหน้ารถของสวรรค์ชั้นดุสิตนะลูกนะเอาแล้วนะพ่อจะได้ไปแล้วนะที่นี่นะให้ลูกทั้งหลายถ้าอยากจะไปอยู่กับพ่อเนะี่ย ให้ประกอบคุณงามความดีอย่างพ่อพาดำเนินนะลูกนะถ้ า, าว่าลูกประกอบคุณงามความดีอย่างพ่อพาประพฤติปฏิบัติมาแล้วลูกจะได้ไปอยู่กับพ่อบนสวรรค์ชัน้นรุสิษฐ์นะลูกนะพ่อไปแล้วจากนั้นท่านก็เลยมาณะไปจากนั้นท่านก็ไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิษฐ์อันนี้ตาลาเล่มนี้เรียกว่าเรื่องนี้เนะี่ยมาในพระไตรปิฎกนะนสต า, า ญ, ญาติโยมลูกหลาน มาในธรรมปทักกาถาที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังนี่แหละเพราะนั้นพระพุทธในหลักของพุทธศาสนาท่านบอกยืนยันแลตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าคนทำชั่วแล้วก็ตกไปตกนรกไปอยู่อวิจีมหานรกระดับไหนระดับไหนท่านก็บอกถ้าหาว่าผู้ใดสร้างคุณงามความดีคนนั้นก็ไปสู่สวรรค์ ในภพภูมิต่างๆของตนเองได้เพราะฉะนั้นโลกใบนี้โลกทั้งโลกของเราเคุณแม่ชีแก้ว เ, เลยบอกว่าโลกนี้เป็นโลกหาได้จะหาดีก็ได้จะหาชั่วก็ได้จะหานารพบสวรรค์ใส่ตนเองก็ได้จะหาคุกหาตารางใส่ตนเองก็ได้จะหาทุกข์หาจนใส่ตนเองก็ได้หาล่ําหารวยใส่ตนเองก็ได้เพราะนั้นให้พวกเราแต่ ควรจะหาแต่คุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเข้าตัวหาตัวของพวกเรานะสิ่งที่มันชั่วช้าเลวทรามอย่าหาเข้ามาน ะ, ะถ้าหาเข้ามาแล้วจะมีแต่ความทุกข์ต่อไปภายภาคหน้าถ้าเราประกอบแต่คุณงามความดีความดีนั่นแหละจะพาพวกเราไปสู่ภพภูมิที่ดีไปสู่สุกติแต่ท้งนี้นทางนั้นคนปู่ ถาวอคุณปุระที่เรามาในงานศพของท่านในวันนี้ที่จะพระราชทธธานเพลิงในวันนี้หลวงพ่อก็มั่นใจเพราะท่านเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมพาลูกหลานประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลมาโดยสม่ำเ ส, สมอจนอายุถึง95้าสิบหปีพาลูกหลานประกอบคุณงามความดีด้านดวงวิญญาณของท่านเมื่อออกจาก พภูมินี่แล้วท่านก็คงจะไปสู่สุขติภูมินะแต่ทิ้งยังไงพวกเราท่านทั้งหลายได้มาร่วมมารวมกันอันนี้หลวงปู่ท้าวรอของเราท่านเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างในการมรณะคือการตายอีกสักวันหนึ่งไม่รู้ว่าใครจะเดินตามหลังเร็วหรือช้านะพวกเราคอยวีซ่ากันอยู่เดี๋ยวนี้นะไม่รู้ว่าวีซ่าจะตกมาเมื่อไรเมื่อตกมาเมื่ เมื่อวีซ่าตกมาให้เราเมื่อไหร่เราก็จะเดินทางไปสู่ประโลภภายภาคหน้าเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ เ, เรารอวีซ่านะพอเราเกิดมายบมทูดเขาก็เขียนวีซ่าให้แล้วคุณมีอายุเท่านั้นนะเท่านั้นนะประกอบให้ไปประกอบคุณงามความดีนะอย่าหลงละเริงเกินไปนะจากนั้นเมื่อถึงคราวเขาก็ส่งวีซ่าให้เออถึงคราวแล้วนะท่านจะต้องกลับนะ นี่แหละพวกเราได้วีซ่าลแล้วก็คุณปู่ของเราก็เดินทางกลับแต่ก็ดีนะท่านได้มาอยู่ถึง90ง้กว่าปีแต่พวกเราไม่รู้จะอยู่ได้นานจากเท่าไหร่ท่านนับว่าเป็นผู้เป็นผู้มีกําไรได้สั่งสมุนกุศลไว้มากทีเดียวนะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะวันนี้พวกเราก็มาส่งคุณปู่ของเรานะเข้ามาสู่เมนจากนั้นก็ท่านก็จะได้เดินทาง ไปตามกติของท่านกติกติของท่านที่ท่านที่ท่านได้ทำเอาไว้นี่แหละบุญกุศลนั่นจะเป็นเพื่อนสองของคุณปู่ของพวกเราเแต่พวกเราเถ้าเราท่านทำกำรรมดีกรรมดีจะเป็นเพื่อนสองถ้าท่านทำกรรมชั่วกรรมชั่วจะเป็นเพื่อนสองไม่ว่าท่านว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นในหลักธรรมคาสอนว่าอัตติอั ต, ตโนนาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งของตนกหินาโถปโรสิยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของเราเพราะนั้นเราจะพึ่งอะไรถ้าเราไม่พึ่งคุณงามความดีถ้าเราไม่พึ่งบุญกุศลไม่ไม่มีที่พึ่งนะถ้าว่าเราพึ่งบาปมีแต่ทุกข์เท่านั้นถ้าเราไปถ้าเราพึ่งบุญนั่นนะพึ่งบุญพึ่งกุศลนั่นนะพวกเราจะมีแต่ความทุกขความเจริญการกล่าว สังเวทนิยกถาในวันนี้ที่ยกเป็นพุทธภาษีเบื้องต้นว่ามรณธรรมโมหิมรณงอนณติโตแ ป, แปลแปลความหมายว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพลนความตายไปไม่ได้เนี่ยถึงจะมีอายุมากน้อยขนาดไหนก็ไม่มีใครที่จะร่วงพลนความตายเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แล้วตั้งแต่2560ิปีให้หลัง แต่หลวงพ่อได้เอาพุทธภาสิทธ์ตัวหนึ่งเข้ามา เ, าเสริมว่าคยะวยะธรรมมาสังขาราอั ป, ปมาเดนะซ้ำปาเดาธาติสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วแก่เจ็บตายไม่มีใครที่จะหลีกลีหนีพ้นไปได้และก็ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศลเอาไว้นี่แหละบุญกุศลน่าจะเป็นเพื่อนสอง บาปเป็นเพื่อนสองบุญเป็นเพื่อนสองแต่เราจะไปเอาเถอะนะบาปคือความจนบุญคือการมั่งมีมีเงินเราจะไปหาพึ่งเราควรจะเอาเงินเป็นเพื่อนสองเราจะเอาความจนเป็นเพื่อนสองนะถ้าเราเอาความจนเป็นเพื่อนสองตายไปแล้วไม่มีเงินเราไม่รู้จะไปที่ไหนชัชเนชเชปเนจรไปเรื่อยเพราะคนจนนะ แต่ถ้าเรามีเงินออพอตายไปแล้วบุญเป็นเพื่อนสองเราจะไปที่ไหนเพชรนินกินดาเต็มกระเป๋าของเรา เ, เงินคําทรัพย์สมบัติเราอยู่ที่ไหนเมื่อเบิกได้เปิดเปิดได้ได้ทั้งหมดเอพราะเราเป็นผู้มีบุญเอพราะประโลกภายทางหน้าไม่มีโจรไม่มีขโมยนะเป็นผู้ซื่อสัตย์เอาไปเอาของคนอื่นไม่ได้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่กทานนะ ประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลให้ศึกษาที่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นให้ฟังนี่นะเป็นแนวความคิดเป็นแนวเป็นการศึกษาถ้าเราอยากจะรู้ในทางในทางประพปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวท่านนั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราก็เหมือนกันท่านอยากจะรู้ว่าท่านจะเป็นยังไงให้ท่านนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก พอหายใจเข้าออกแล้วเราจะรู้ได้โดยนจกายกับใจใจกับกายเห็นชัดเจนเลยร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนขับรถนามธรรมากับรูปธรรมเห็นชัดเจนตัวร่างกายตัวนาตัวรูปธรรมเนี่ยเ่ถูกเผาไ่ทิ้งแน่แต่ส่วนนามธรรมาคือจิตใจดวงนั้ น, นจะออกจากร่างพอออกจากร่างแล้วก่อนนะอัตถิอัตโนนาโถนะบุญกุศลจะเป็นเพื่อนสองหรือบาปอกุศลจะเป็นเพื่อนสอง จุดนั้นไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราท่านทั้งหลายนะการกล่าวสังเวยธนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณภระีรัตนนาฏไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มาคุ้มครองขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญ ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกท่านทุกคนด้วยเถิน